ที่นี่ NHK World จะแปนออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World จะแปลภาคภาษาไทยเสนข่าวภาคค่ำประจำวันอังคารที่9กรกฎาคม2567ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นสำนัก ง, งานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าอากาศอุ่นชื้นกาลังเคลื่อนไปยังแนวฝนที่นิ่งอยู่เหนือทะเลญี่ปุ่น ทำให้เกิดสภาพบรรยากาศแปรปรวนส่วนใหญ่ตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮกุไปจนถึงภูมิภาคซังอิงมีประกาศเตือนภัยดินถล่มแล้วในบางพื้นที่ของจังหวัดชิมาเนะอาจมีฝนฟ้าคะนองตลอดแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮกุถึงภูมิภาคซังอิงจนถึงวันพุทธที่10กรกฎาคม คาดว่าแนวฝนจะยังไม่เคลื่อนไปไหนและอาจมีฝนมากขึ้นส่วนใหญ่ในพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำตินทลมและน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นนอกจากนี้ยังแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงรวมถึงพายุทอร์นาโดและลูกเห็บ ฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมเนื่องจากไม่สามารถระดายน้ำฝนได้เร็วพอจึงแนะนำให้ประชาชนอบพยพแต่เนื่อนๆประชาชนยังได้รับคำแนะนำให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยห่างจากเนินเขาและแม่น้ำเอ่อล้นรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากทางการท้องถิ่น สำนัก ง, งานอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยฮิสโตรในหลายจังหวัดตั้งแต่จังหวัดจิบะจนถึงจังหวัดโอกินาวาเนื่องจากคาดว่าสภาพอากาศจะยังคงร้อนจัดไปจนถึงวันพุทธที่10ก ร, รกฎาคม จาหน้าที่อุตุนิยมวิทยากล่าวว่าอุณหภูมิในวันอังคารที่9กรกฎาคมเพิ่มสูงขึ้นบริเวณพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ภูมิภาคคันโตไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันของวันอังคารที่9สูงถึง 38.5 องศาเซลเซียสในเมืองฮิวงะจังหวัดมิยาซากิ 37.5 องศาในเมืองซูจิอุระ จังหวัดอิบารากิ37องศาในเมืองนากัรจึจังหวัดโอิตะและ 34.5 องศาใจกลางกรุงโตเกียวอากาศที่ร้อนจัดทำให้เสี่ยงจะเป็นฮิสโรกโดยในช่วงไม่กี่วันมานี้มีผู้เสียชีวิตหลายคนจากสาเหตุนี้สมาคมเวชศาสตร์เฉียบพรันแห่งญี่ปุ่นเรียกร้องให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศ ดื่มน้ำและระวังอย่าให้ร่างกายขาดเกลือแร่นอกจากนี้ยังแนะนำให้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงให้มากเป็นพิเศษดัชนีนิเคอที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่นักลงทุนพา ก, กันกว้านซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำหลังหุ้นในตลาดนิวยอร์กปรับตัวสูงขึ้นนาโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง ดัชนีนิเคอีปิดการซื้อขายในวันอังคารที่9กรกฎาคมที่ 41,580 เยนเพิ่มขึ้น799เยนหรือร้อยละ 1.96 มากกว่าสถิติสูงสุดก่อนหน้าเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม ต่ชนนี้เคอีปรับตัวสูงขึ้นหลังลดลงเล็กน้อยสองวันจนถึงวันจันทร์ที่1กรกฎาคมนอกจากนี้ยังทำสถิติสูงสุดในการซื้อขายระหว่างวันทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายของวันอังคารที่9ด้วย กองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทั่วยูเครนมีผู้เสียชีวิต37คนโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงได้รับความเสียหายหนักจากการโจมตีหลายพื้นที่ถูกโจมตีอย่างหนักเมื่อวันจันทร์ที่8ก ร, รกฎาคมรวมถึงกรุงเคียฟภูมิภาคดานีโปรเปตรอฟและโดเนสทางตะวันออก ที่กรุงเคียฟอาคารอาพาร์ตรเมนต์และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆทั่วเจ็ดแขกใจกลางเมืองถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธหลายลูกเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต22คนและบาดเจ็บกว่า70คนโรงพยาบาลเด็กโอก๊กมัดดิทในกรุงเคียฟถูกโจมตีเช่นกันนวยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนเผยว่ามีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บกว่า50คนจากการโจมตีนี้ เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอยูเครนประนามรัเสเซียที่ใช้ขีปนาวุธนำวิธีโจมตีโรงพยบาบาลกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียระบุผ่านแถลงการที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่8ว่ากองกำลังรัเสเซียได้ใช้อาวุธที่มีความแม่นยำโจมตีสถานที่ด้านอุตสาหกรรมทางทหารและฐานทัพอากาศของอยูเครนจากระยะไกล พร้อมเสริมว่าการโจมตีนี้เป็นการตอบโต้วความพยายามของอยูเครนที่จะโจมตีสถานที่ด้านพลังงานในรัสเซียคาดกันว่าผู้นำของชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือรอนาโต้และพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจะตกลงกระชับความร่วมมือในการจัดการการโจมตีทางไซเบอร์และประเด็นอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง นายุครัฐมนตรีคิชิดะฟูมิโอของญี่ปุ่นและผู้นำเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของนาโตในวันพฤหัส บ, บดีที่11ก ร, รกฎาคมที่สหรัฐแหล่งข่าวของรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าคาดว่าบรรดาผู้นำจะตกลงเพิ่มความร่วมมือในการรับมือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ข้อมูลปลอมและเทคโนโลยีเกิดใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์ ผู้นำญี่ปุ่นหวังว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับนาโต้จะนำไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพทั่วญี่ปุ่นเนื่องจากเขาเชื่อว่าความมั่นคงของยุโรปกับของเอเชียแยกจากกันไม่ได้เมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวของรัสเซียและจีนนายกิชิดะมีกำหนดเดินทางไปเยอรมนีเพื่อร่วมประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอสหลังการประชุมสุดยอดของนาโต้ที่กรุงวอชิงตัน คาดว่าผู้นำทั้งสองจะตกลงกระชับความร่วมมือทวิภาคีผ่านกรอบงานใหม่ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการจัดตั้งห่วงโซ่อุปทานสำหรับแร่ธาตุสำคัญท่ามกลางการบีบบังคับทางเศรษฐกิจของจีนโรงเรียนมัธยมปลายในเมืองวาจิมาจังหวัดอิชิกาวะ บนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมทั่วทั้งโรงเรียนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่ในวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนกลับมาเปิดอีกครั้งตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวขณะเดียวกันก็ยังถูกใช้เป็นศูนย์อพยพด้วยแต่ขณะนี้นักเรียน16คนกำลังเรียนทางออนไลน์ โรงเรียนได้จัดการแข่งขันวอลเล่บอลระหว่างชั้นเรียนที่โรงยิมแห่งหนึ่งในเมืองใกล้เคียงเมื่อวันอังคารที่9ก้ากรกฎาคมโดยเปิดอากาศให้นักเรียนทุกคนได้รวมตัวกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวมีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ250คนฮิระทากุมิประธานสภานักเรียนกล่าวคำปฏิ ญ, ญาณของผู้เล่นซึ่งขอให้ผู้เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมอย่างเต็มที่ และขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้งานแข่งนี้เกิดขึ้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หคนหนึ่งกล่าวว่าเขามีความสุขที่ได้พบกับเพื่อนๆของเขาเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนและเสริมว่าเขาอยากชนะการแข่งขันอย่างแน่นอนจบข่าวที่นี่ NHK เว r ร์จ a แปรออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น